เวทนาติกะหนึ่งกุศลติกะสาสิหกสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัย สภาวธรรมที่มรรมไม่สัยสาามยุญด้ดยวาาท ย, ยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมยุญด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมบุญด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยทุกขมรสเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมทท่มสสัยยุุด้ววขเนา ที่ไม่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมปยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยมีเจดวาระย่อ เหตุปัจจัยมีสิบวาระอธิปติปัจจัยมีสิบสีวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสี่วาระสาสเจสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุต์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขกมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุต์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระมียี่สิบเอ็ดวาระเหตุถูปัจใจมียี่สิบเอ็ดวาระอธิปฏิปัจใจมียี่สิบเอ็ดวาระละถึง อวิคตปัจจัยมี21วาระ38สภาวธรรมที่สัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปั จ, จัยแห่สภาวธรรมที่ไม่สัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอัภยากฤตโดยอรมณ์ปัจจัยย่ออรมณ์ปัจจัยมี21วาระอธิปฏิปัจจัยมี10วาระอนันตร์ปัจจัยมีหวาระและถึงอุปาเนสีปัจจัยมี2สวาระ นัตติปัจจัยมีหกวาระวิคตะปัจจัยมีหกวาระพึงทำการจำแนกบทที่มีสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นมูลและบทที่มีสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นมูลสวิปากติกะหนึ่งกุศลติกะสาสิเ ก, กสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นกุศล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 อธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุเนื่องเกิดวิบากซึ่งไม่เป็นอภยากริอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุเนืองเกิดวิบากซึ่งเป็นอภยากริเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีสามวาระสี่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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลอ า, าศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึด ถ, ถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพเยายาราะเหตุปัจจยัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏ ok ิปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจยัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึด ถ, ถือ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 และเป็นนอารมของอุปาทานซึ่งไม่เป็นอัิยกรตอาศัยสภาวะธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นนอารมของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยกฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 5. สังขิลิธะติกะหนึ่งปุสลติก ะ, กะห้าดเอด สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เจร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นอัพยากฤษตอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีหกวาระหวิตกะติดกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี15้าวาระอธิปติปัจจัยมี15้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี15้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเจ็ดปีติติกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบสาสภาวธรรมที่ไม่สห ร, ต ร, สหรครตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่สห ร, ส ร, สหรครตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวะธรรมที่ไม่สหรูปดูเบิดขาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคโดูเบิขาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระเหตุปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาร ะ, จจาระอธิปฏิปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระเหมือนกับเวทนาเิกะยอ่อยี่สิบสอง สนิทัสนติกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้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 เหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภิยกฤิตเปิดขึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอภิยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิต เกิดขึ้นเพราะเหตุุกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นมิได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอภพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิททัศนติกะสองเวทนาติกะสี่สิบห้า สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สัมปยจจุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยจจุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหัตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอ ok วิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สัมปยจจุตด้วยทุกเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนา mm. เกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยย่อเคตุปปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากับปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สัมพยุ ด, ด้วยทุกขมสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมบยุทธ์ด้วยทุกขมสุโเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิทสนะตึกะสามวิปากตึกะสี่สิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นวิปาก อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อเหตุตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งเป็นเหต readers, oh, faith, WILL, oh, faith, ุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระวละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทสนะติกะสอุปาทินาติกะสี่สิบเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 ที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิจิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอรมณปัจจัยยอ่ออรมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระและถึงอุปาเสียปัจจัยมี9ก้าวาระปเรชาตปัจจัยมี9ก้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมี9้าวาระ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 อวิยคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิทัสนะติระห้าสังกิเลทะติระสี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่กิเลทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกิเลทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อ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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ 22. ่สินิทัศน ะ, ะติกะหวิตกตเกะสีสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระและถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรม ท, ที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีวิตกไม่เพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปั จ, จัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปั จ, จัยมีสามวาระ22สิสสนิทัศนตึกะยี่สิอ็จอชตารมณติกะ สภาวธรรมที cache, giving, um, Harmon, ่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระพื่อขยายปัญหาวาระให้พิจาราธรรมานุโลมปจจนญาเตึกะเตึกะประทาน พิธามะปิโดธรรมานุลมปั จ, จนียะทุกะทุกะปรทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งสเสหตุกะทุกะหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอรมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาทิตติปัจจัยมีสามวาระละถึง พันยมัญยปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยย่อนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอรมณปัจจัยมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยมีห้าวาระ นปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระและถึงนวิปยุตปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระสหาชาตาวาระและถึงสัมปยุตวาระเหมือนขปฏิจจวาระเหตุ ป, ปัจจัยและอรมณปัจจัย 3. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุ ป, ปัจจัย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 อรามณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจใจมีส oh ี่วาระสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจใจมีสี่วาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระละถึง อหารปัจจ um ัยมีสามวาระอินทริย์ปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีห้าวาระเพืงขยายปัญหาวาระให้พิจารณาสีสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมทีท่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยวุณหปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระ และถึงอวิคตะปัจใจมีสี่วาระหนึ่งเหตุทุกขะสองเหตุสัมปยุตตะทุกขะหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจัยมีสามวาระและถึง อัญญะมัญญปัดใจมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับเหตุุกะทุกระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปวิจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปวิจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปวิจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปวิจากเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสี่วาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาร ะ, า ะ, จจาระละถึ ง, วจจวถงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระหนึ่งเหตุทุกกะสามถึงห้าเหตุเสเหตุกะทุกกะเป็นต้น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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิบิวจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและสัมบยุณ์ ด, ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอ ว, วิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุจจากเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมบัญญัติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระแปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ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 1. เหตุทุกขะหกถึงสิบสองจุลันตะทุกกะเกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยรมณะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยรมณะปัจจัย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 อารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปาินียปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อาทิตติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกุตระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลคุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบสี่ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีฆาวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบสาอสุวะโคจกะสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอสุวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอสุวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาจวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระ ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุจักอาจวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจักอาจวะ เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบปสภาวะธรรมไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระและถึง อวิคัตตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเปิดขึ้น่พระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสิเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะ และไม่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและจำปยุจด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุจจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งจำปยุจด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากอาสวะและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมทีท่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกับโลคิยะทุกะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ย, ย่อเหตุุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปะปัจจัยมีสามวาระ